ใจของพวกเรานี่เป็นเหมือนกับม้าที่เราขี่มาที่ขี่นี้ก็มีสองชนิดม้าป่ากับม้าที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจะมีความแตกต่างกันม้าป่านี่ขี่ยากมันมีแต่จะคอยพยศคอยแต่จะทำให้คนขี่ ตกจากหลังมาอยู่เรื่อยๆส่วนม้าที่ได้รับการฝึกฝนอบรมแล้วนี่เป็นม้าที่เชื่องให้ทำอะไรก็ทำให้อยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆให้เดินไปข้างหน้าให้ถอยหลังให้เต้นลำเต้นระบำเห็นไหมม้าในโรงอครสัตว์เนี่ยให้เขาแสดงอะไร มาที่ฐานเอามาสวนสนามมาพวกนี้เป็นมาที่ได้รับการฝึกฝนอบรมได้รับการทรมานแล้วมามันจะเวลาจะฝึกฝนอบรมมันนี้ถ้าไม่ทรมานมันมันไม่ยอมมันไม่เชื่อมันจะดือ้อต้องมีการทรมานมันบังคับมัน มีบางเหียนคอยบังคับควบคุมมันที่ปากเวลามันดื้อก็ดึงมันมันก็เจ็บปากมันก็ไม่กล้าดือ้อจิตของพวกเราก็เป็นเหมือนกับม้าที่เราขี่กันเนี่ยแต่มาจิตของพวกเรานี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนม้าที่ยังเป็นม้าป่า ก, กันม้าที่ยังไม่ได้รับการ ควบคุมบังคับอบรมจิตของพวกเราเป็นจิตป่าจิตของม้าป่าจิตของม้าที่ได้รับการอบรมเรียบร้อยแล้วนั้นก็คือจิตของพระอริยาสาวกเนจิตของพระอริยาสาวกนี่จะเป็นจิตที่เชื่องจิตที่ไม่ประยศ จะอยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งของผู้ขี่เราถามตัวเราเองดูสังเกตตัวเราเองดูว่าจิตของเราเป็นจิตประเภทใดเป็นจิตประเภทม้าป่าหรือเป็นจิตประเภทม้าที่ได้รับการฝึกฝนอบรมแล้วเราสามารถควบคุมจิตใจของพวกเรา ได้ Đây, ทุกวันทุกเวลาหรือไม่หร <Komm a, S 3> <les> ือบางเวลามันก็เตะเราเขี่ยเราพยศให้เราตกออกจากหลังมาเวลาที่เราเสียใจเวลาที่เราล่องห่มล่องห้ายเวลาที่เราไม่สบายใจกุมออกกุมใจวิตกกังวลห่วงใย วอาเปล่าไปกับเรื่องราวต่างๆเวลานั้ น, นจิตของเรากำลังพยศเหมือนม้าป่าม้าพยศนะแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้มันหายพยศได้เพราะเราไม่ฝึกฝนอบรมมันไม่คอยควบคุมบังคับมันปล่อยให้มันเป็นไปาตามอารมณ์ของมัน วันไหนอารมณ์ดีมันก็ดีแสนดีเวันไหนอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นเหมือนอเป็นเหมือนสัตว์ร้ายไปนี่คือจิตใจของพวกเราไม่มีใครที่จะมาฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราได้ เราต้องเป็นผู้ฝึกฝนอบรมเองแต่เราสามารถรับการสั่งสอนจากผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนแล้วมาเป็นผู้ให้คำแนะนำได้เป็นผู้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรา เราก็ต้องไปหาคนที่รู้จักวิธีฝึกฝนอบรมไปถามไปศึกษาว่าทำอย่างไรจรึงทำให้มันหายพยศมันดื้อเหลือเกินมันสร้างความวุ่นวายใจให้อยู่เรื่อยๆสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้อยู่เรื่อยๆ ช่วยบอกวิธีทำให้มันเชื่องให้มันไม่พะยศะไม่ให้มันมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเร า, เาผู้ที่สามารถสั่งสอนพวกเราให้รู้จักวิธีอบรมจิตใจให้หายพะยะ์ได้นั้นก็มีพระพุทธเจ้ากับพระ อรหันตสาวกเท่านั้นท่านเป็นผู้ที่สามารถควบคุมอบรมสั่งสอนจิตใจให้หายพยศได้ให้จิตใจเป็นจิตใจที่ว่านอนสอนง่ายอยู่ในโอวาทตลอดเวลาไม่มีคำว่าดือ้อคำนี้ไม่มีใครชอบแต่ก็ดื้อดยกันทุกคน ชอบว่าคนอื่นดื้อแต่ไม่เคยว่าตัวเองดื้อถ้าดูจริงๆแล้วดื้อด้วยกันทุกคนแต่ชอบไปว่าคนอื่นเขาดื้อแต่ตัวเองนี่คิดว่าไม่ดื้อถ้าไม่ดื้อจริงมันต้องไม่วุ่นวายใจมันไม่ต้องไม่ทุกข์ใจมันต้องไม่วิตกไม่ต้องกังวลไม่ต้องหวาดกลัว ถ้ายังมีความวุ่นวายใจอยู่มีความไม่สบายใจอยู่นั่นนะแสดงว่าจิตเรากำลังดือ้อมันไม่ยอมอยู่ในโอวาสมันไม่ยอมอยู่ในความสงบนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีเครื่องขี่มา้าม้านี่เขามีเครื่องให้ขี่มีบังเหียนมีอ่านมีอะไรให้คอยใช้ควบคุมม้าได้อย่าง ปลอดภัยแต่ถ้าขี่แบบไม่มีอะไรเลยนี่ขี่แบบมือเปล่าเดี๋ยวม้ามันแกล้งเราสักหน่อยก็ตกนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือมาอบรมจิตใจของพวกเราถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนี่จะไม่สามารถอบรมจิตใจให้อยู่ ในความสงบได้เราก็ต้องไปถามผู้ที่ได้อบรมจิตใจได้อย่างดีแล้วว่าต้องมีอะไรบ้างต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการที่เราจะมาควบคุมอบรมจิตใจให้อยู่ในโอวาทของเราพอมันจะดิ้นก็สั่งให้มันหยุดปับ๊บพอมันจะเสียใจก็สั่งให้มันหยุดปับ๊บ พอมันจะโกรธก็สั่งให้มันหยุดปับ๊บพอมันอยากได้อะไรก็สั่งให้มันหยุดปับ๊บถ้าสั่งจิตได้แล้วสบายมันก็จะไม่มีปัญหาถ้าสั่งแล้วมันเดือกก็วุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมานี่คือเรื่องจิตใจของพวกเราพวกเราตอนนี้เหมือนกำลังขี่ม้าป่ากันแล้วขี่แบบมือเปล่า ไม่มีบังเหียนไม่มีอ่านมาเราถึงตกหลังมาอยู่เรื่อยๆยังร้องหบร้องไห้กันอยู่เรื่อยๆยังเสีย อ, อกเสียใจกันอยู่เรื่อยๆยังวุ่นวายใจกันอยู่เรื่อยๆเพราะเรายังไม่สามารถควบคุมจิตใจของพวกเราได้เพราะเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ และเราแม่ฝึกผลอบรมใช้เครื่องม้เครื่องมือนั้นบางทีมีเครื่องม้เครื่องมือก็ไม่เอามาใช้เอาวางไว้เฉยๆพวกเราที่ได้ฟั่งเทศฟังธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านี่พวกเรามีเครื่องไม้เครื่องมือกันแล้วคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรานําออกไปปฏิบัติคําสอนเหล่านั้นเป็นเครื่องม้เครื่องมือทั้งนั้น เครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาควบคุมอบรมรักษาจิตใจของเราให้อยู่อย่างสงบสุขนะไม่ให้มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแต่พวกเราก็เพียงแต่ฟังฟังแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ชอบขี่ม้าแบบไม่มีอานไม่มีบางเหีน้นชอบขี่ม้าแบบมือเปล่าชอบ ชอบตกหลังมาอยู่เรื่อยๆชอบร้องห่มร้องไห้ชอบวิตกกังวลชอบหวาดกลัวชอบวุ่นวายใจไปกับเรื่องต่างๆนานานี่เพราะว่าเราดีเครื่องม้าเครื่องมือแต่เราไม่เอามาใช้ในการควบคุมอบรมจิตใจของเราให้อยู่อย่างสงบสุข ไม่ให้ก่อเรื่องวุ่นวายใจให้กับเราอยู่แบบไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่แหละคือปัญหาของพวกเราพวกเราได้พบคนที่ฉลาดคนที่รู้จักควบคุมอบลมจิตใจแล้วเราก็มาศึกษามาขอคำปรึกษาเราก็ได้รับคำศึกษาไปแล้ว แต่เราไม่ค่อยเอาไปใช้กันเรายังชอบขี่ม้าแบบไม่มีบางเห็นไม่มีอ่านมา้าเรายังชอบตกหลังม้าอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็โทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองเพราะเราดื้อเราไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อก็บ้างเชื่อบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เต็มที่ยังข อ, อกักไว้ก่อนยังขอทําอย่างอื่นก่อนยังไม่อยากจะมาควบคุมอบรมจิตใจอย่างเต็มที่ยังอยากจะปล่อยให้จิตใจมันพยศยังอยากจะปล่อยให้มันสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราอยู่นั่นเอง ดังนั้นเราจรึงโทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเราเองเพราะเรามองคนที่เขาไม่ดือ้อมองคนที่เขาเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่าเขาสบายกว่าเราจิตใจเขาไม่ดือ้อจิตใจของเขา ไม่วุ่นวายไม่เศร้าโศกเสียใจพราเขาเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอาหารหันตสาวกพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระอาหารหันตสาวกสอนอย่างไรก็น้อมนําเอาไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่เนี่เราเรียกว่าสุปฏิปันโน ถ้าปฏิบัติแบบแทงกั๊กเอาห้าสิบห้าสิบก่อนยังรักพี่เสียดายน้องอยู่อยังไม่ยอมทําอย่างเต็มที่ขอทําแค่ร้อยละห้าสิบก่อนแบ่งคนละครึ่งแบ่งให้พี่ครึ่งหนึ่งแบ่งให้น้องครึ่งหนึ่งแบ่งให้มาพยศครึ่งหนึ่งแบ่งให้มาที่ได้ฝึกฝนอบรมครึ่งหนึ่งเจตใจของเราก็ยังเป็นแบบ ครึ่งผีครึ่งคนอยู่บางเวลาก็เป็นคนบางเวลาก็เป็นผีเวลาที่อารวาสเนี่ยพูดคำพลุศวา่าพูดคำหยาบด่าคนนั้นด่าคนนี้ทุบตีข้าวของตอนนั้นกำลังเป็นผีบางเวลาก็เรียบร้อยหน้าดูหน้าชมเวลานั้นก็เป็นคน นี่คือลักษณะของผู้ที่ยังไม่ได้สุปฏิปันโนจริงยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มร้อยไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ยังขอแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นไปหาเรื่องที่จะทำให้จิตใจมันพยศอยู่ยังไม่ยอมตัดมันยังเสียดายมัน ยังรักยังหวงยังห่วงมันอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราสละลาบยศสละเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปถ้าเราต้องการที่จะทำให้ใจของเราสงบเย็นสบายแต่เราก็ยังเสียดายยังไม่ อยากจะสละลาบยศสรรเสริญยังไม่อยากสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไปอย่างเต็มที่ยังขอแบ่งไว้เออวันนี้ขอไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสบ้างเพราะเดี๋ยววันนี้เป็นวันเกิดลูกชายบ้างวันเกิดพี่สาวบ้างน้องสาวบ้างวันเกิดเพื่อนบ้างเอ วันฉลองอะไรต่างๆบ้างหรือถ้าเป็นช่วงปิดเทอมช่วงหน้าร้อนก็ต้องพาลูกพาหลานไปเที่ยวต่างประเทศบ้างก็เลยยังไม่สามารถที่จะสละลาบยศละรเญสละความสุขทางตาหูจมูกเดินกายไปได้ตลอดเวลา ผลมันก็เลยยังเป็นแบบครึ่งๆกลางๆอยู่เป็นแบบม้าป่าบ้างเป็นแบบม้าบ้านบ้างบางวันม้าป่าก็พยศสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจบางวันก็เป็นม้าบ้านม้าที่ได้รับการอบรมแล้วก็เรียบร้อยเย็นสบายเยนี่คือ เรื่องของจิตใจของพวกเราไม่มีใครจะมาทําจิตใจของเราให้เรียบร้อยสงบได้ตลอดเวลานอกจากตัวเราเองพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านทําได้ก็เพียงแต่สอนเราบอกเราบอกวิธีที่จะทําให้จิตใจของเราสงบเย็นสบาย ไม่ทุกไม่วุ่นวายใจแต่เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้จิตใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีการปฏิบัติไม่มีการอบรมสั่งสอน ควบคุมบังคับจิตใจถ้าปล่อยให้มันเป็นไปาตามความสบายใจมันก็จะพาให้เราไปสู่ความวุ่นวายใจเราได้เครื่องมือแล้วอยู่ที่เราเราจะเอามาใช้กับการควบคุมอบรมจิตใจของพวกเราหรือไม่ ไม่มีใครบังคับเราได้ไม่มีใครบังคับใจเราให้ให้ ใ, För ให้เรากับให้เราได้บังคับได้ก็ในระดับหนึ่งเช่นเราบังคับตัวเราเองไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่กับคนที่เขาบังคับเราเช่นลูกเราเลี้ยงอยู่บ้านบังคับมันไม่ได้ก็ต้องส่งไปเรียนโรงเรียนกินนอนพอมันเป็นโรงเรียนกินนอนนี่มันมีคนคอยบังคับ ไม่มีการผ่อนปลนมันก็ต้องทําตามที่เขาบังคับแต่ถ้าอยู่กับเราเดี๋ยวร้องหน่อยเดี๋ยวขอนุนขอนี่หน่อยก็เอ้าไม่เป็นไรไม่บังคับอก็เลยไม่ได้ผลเท่าที่ควรบางทีเราฝึกฝนอบรมปฏิบัติของเราเองบางทีมันไม่ได้ผลเท่าไหร่ได้แต่ไม่มาก เพราะเราไม่ควบคุมบังคับเราได้อย่างเต็มที่บางทีเราก็ต้องไปอยู่กับผู้ที่เราต้องไปให้คนอื่นช่วยควบคุมบังคับเราเช่นไปอยู่วัดของครูบาอาจารย์ที่เขร่งครัดนต่อระเบียบต่ อ, อการประพฤติปฏิบัติแต่ท่านจะควบคุมได้เฉพาะส่วนนอกคือส่วนทางกายทางวาจาควบคุม ป้องกันไม่ให้เราออกมาวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆได้ตอนให้เราเข้าไปสู่ที่ปฏิบัติแต่พอเราไปถึงที่ปฏิบัติท่านก็ไม่มานั่งเฝ้าดูเราว่าจะปฏิบัติหรือเปล่าเราจะหลบไปนอนก็ไม่มีใครว่าอะไรถึงแม้ท่านจะช่วยเราก็ช่วยเราไม่ได้เต็มร้อยช่วยเราได้ในระดับหนึ่งถ้าเราอยู่วัดเราจะไปทําอะไรที่ คนนอกอยู่นอกวัดทำก็จะทำไม่ได้เช่นจะไปดูทีวีจะไปกินอาหารเย็นะจะไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่ในวัดห้ามทำก็จะทำไม่ได้วัดก็ช่วยเราได้เท่านี้ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งถ้าเรายัางไม่สามารถควบคุมบังคับใจของเราเองได้เราก็ต้องไปอยู่ ในสถานที่ที่มีการควบคุมบังคับแต่เรื่องของภายในใจนี้ไม่มีใครบังคับเราได้เรื่องของการทำความเพียรเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาคอยลากคอยดันคอยผลักให้เราเดินจงกรมให้เรานั่งสมาธิได้ตลอดเวลาเพียงแต่คอยกันไม่ให้เราออกไปทะเลทรายไปทำกิจกรรมอย่างอื่น แต่เราก็ยังไม่ไม่สามารถถ้าเราไม่ควบคุมใจเราก็ยังจะไม่สามารถปฏิบัติได้เราต้องบังคับตัวเราเองการที่เราจะบังคับตัวเราเราก็ต้องนึกถึงประโยชน์ ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการที่เราได้ควบคุมบังคับตนเองอย่างที่มีคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตที่ได้ฝึกได้รับการฝึกฝนอบรมดีแล้วนี่นำความสุขมาให้จิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมจะนาแต่ความทุกข์มาให้เราก็ต้องคิดถึงคำสอนเหล่านี้ ว่าเราต้องการอะไรกันเราต้องการความสุขกันหรือเราต้องการความทุกข์กันเนี่ยความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่กับคนนั่นคนนี้อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ความส <th eight> ุขความทุกข์ที่แท้จริงที่ถาวรนี่อยู่ที่การควบคุมบังคับใจนี้เท่านั้นถ้าเราไม่ควบคุมบังคับใจเรา เราก็จะได้รับความทุกข์อย่างถาวรคือทุกอยู่เรื่อยๆทุกอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เราทุกมานานแะล้วเราไม่รู้กันหรอกไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้พบนี้เท่านั้นเราทุกแบบนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วและทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็มีความทุกข์แบบที่เรามีกันอยู่ ในขณะนี้เพราะเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นจิตใจที่เรียบร้อยนั่นเองมีพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันน์เท่านั้นที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของท่านได้อย่างดีจิตใจของท่านจึงมีแต่ความสุขให้แต่ความสุขเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนเรา ก่อนที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านได้เป็นพระอาหารหันตสาวกท่านก็เป็นเหมือนอย่างพวกเราท่านก็เกิดแก่เจ็บตายมาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วแต่ท่านมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากที่จะควบคุมอบรมจิตใจไม่ให้สร้างความทุกข์ให้แก่ท่านท่านก็เลยแสวงหา ครูบาอาจารย์สวงผู้รู้ผู้ที่จะสอนในกรณีของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้พบผู้รู้ผู้สอนในระดับในระดับชั่วคราวคือรู้จักวิธีควบคุมอบรมจิตใจให้อยู่ในความสงบได้เป็นพักๆแต่ไม่ได้ตลอดเวลาเพราะในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสว ง, สวงหา ความดุดพน้นนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ไม่มีพระอาหารหันตสาวกอยู่ในโลกนี้จึงไม่มีใครสามารถสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะในตอนนั้นที่เป็นนักบวชให้สามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาเมื่อไม่สามารถ เมื่อไม่มีใครสามารถสั่งสอนให้ท่านได้ท่านก็เลยต้องไปค้นคว้าไปวิจัยด้วยตนเองทำการวิจัยไปค้นคว้าไปหาวิธีการต่างๆที่จะมาควบคุมรักษาจิตใจของท่านให้อยู่ในความสงบหลังจากที่ลองผิดลองถูกอยู่พักหนึ่งก็ได้ส่งค้นพบวิธีที่ถูกต้อง วิธีที่สามารถควบคุมอบรมจิตใจให้อยู่อย่างสงบไปตลอดไม่ว่าจะเข้าไปในสมาธิหรือไม่เข้าไปในสมาธิจิตใจก็ไม่พยศเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้จิตใจเวลาเข้าสมาธิก็หายพยศแต่พอออกจากสมาธิมาจิตใจก็เริ่มพยศขึ้นมาทันที ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่พยศตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิรู้แต่วิธีตอนที่เข้าในสมาธิเท่านั้นถ้าเวลาได้จิตพยศอยากให้มันหายพยศก็ไปเข้าสมาธิกันไปนั่งสมาธิไปเพ่งดูลมหายใจเข้าออกไปบริกรรมพุทโธพุทโธเดี๋ยวไม่นานจิตก็สงบหายพยศแต่พอ ถอนออกจากสมาธิมาออกออกจากสมาธิมาเดี๋ยวจิตก็เริ่มพยศใหม่เนี่นี่คือการแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจของพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถสอนพระพุทธเจ้าได้เพราะไม่มีใครรู้ก็เลยต้องส่งค้นคว้าวิจัยหาสาเหตุหา วิธีที่จะมาควบคุมจิตใจให้สู่ความสงบตลอดเวลาในที่สุดก็ส่งคนพบวิธีในวันเพ็ญเดือนหกขณะนั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นโพก็เลยส่งคนพบวิธีที่จะควบคุมจิตใจให้อยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยมีความเมตตา เอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่สนใจใครอยากที่จะควบคุมจิตใจให้อยู่ในความสงบให้ปราศจากความทุกข์ไปตลอดก็ไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าได้พอมีครูมีผู้สอนแล้วพอได้เอาไปปฏิบัติตามที่ผู้สอนสอน ก็สามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาปากฏเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระธรรมคาสอนนี้ไม่มีพระอาหารหันต์อยู่ในโลกนี้เป็นเวลาหลายหลายล้านปีเลยเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนจะไม่มีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาได้เพราะว่าพระอาหารหันตสาวกก็คือผู้ที่ศึกษาจากพระพุทธเจ้านั่นเองคาว่าสาวกก็แปลว่าผู้ศึกษาผู้ฟังพระอาหารหันต์นี้มีสองสองชนิดด้วยกันเป็นอาหารหันตสัมมาสามพุทธเจ้า กับอาหารหันตะอาหารหันตะสาวกเนอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเรียนรู้ด้วยตนเองไม่มีใครสั่งใครสอนให้เป็นพระอาหารหันต์มีเพราะไม่มีใครเป็นพระอาหารหันต์มาก่อนไม่มีใครสอนได้ก็เลยต้องสอนตัวเองพระพุทธเจ้านี่เราไม่เรียกเป็นพระสาวกเราเรียกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้ด้วยตนเองเห็นไหม เป็นผู้ทำให้ตนเองเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาด้วยตนเองเราจึงเรียกว่าพาาาระอรหันตะสัมาสามพุทธเจ้าส่วนพระอรหันตสาวกก็คือเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ด้วยการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นับถือเป็นผู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ ยังมีอรหันสองประเภทขึ้นมาอารหันประเภทที่สองนี้จะมีขึ้นมาได้ต้องมีอรหันประเภทที่หนึ่งปรากฏขึ้นมาก่อนต้องมีพระอรหรันตสามมาสามพุทธเจ้าพอมีพระอรหันตสามมาสามพุทธเจ้าแล้วทีนี้พระอรหันก็โผกพระอรหันตสาวกก็โโผมาเป็นดอกเห็ดเลยเหมือนพอมีฝนตกรอบนี้เห็ดโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลย พอช่วงไหนฝนไม่ตกไี่ไม่มีเห็ดงอกออกมาเลยอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนฝนที่มาโปรยความนุ่มเย็นโปรยความเจริญให้แก่ดอกเห็ดจิตใจของพวกเรานี้เป็นดอกเห็ดที่รอรับน้ำฝนอยู่พอมีฝนตกปั๊บเดียวจิตใจของพวกเราก็งอกงามขึ้นมาเป็นอาลันตระสาว ก, กันขึ้นมามี เป็นมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนนะสองพันห้าร้อยกว่าปีทั้งๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าก็ตายเป็นต้องนานแล้วแต่คําสอนที่สอนให้เป็นพระอาหารหันต์นี้ยังอยู่ต่ออยู่ในคาบอยู่ในคราบของหนังสือคือพระไตรปิฎกและอยู่ในคราบของพระอาหารหันตสาวกคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้สัง่งทรงสั่งสอนนี้ จะถ่ายทอดเข้าสู่ใจของพระอรหันตสาวกทุกทุกพระองค์ใจของพระอรหันตสาวกทุกๆพระองค์นี้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจทุกทุกพระองค์สามารถสอนแทนพระพุทธเจ้าได้ทุกทุกพระองค์สามารถสอนให้คนอื่นบรรลุปเป็นพระอรหันตสาวกได้เหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนนี่คือ ผู้ที่ได้รับการสั่งสอนอบรมได้รับคําสอนแล้วนําเอาไปปฏิบัติเอาไปอบรมจิตใจจนจิตใจนี้หายพยศนใจจิตใจตั้งอยู่ในความสงบตลอดเวลาเพราะตัวที่มาสร้างความพยศท่าเกิดจิตใจได้รับการกําจัดไปด้วยวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวที่มาสร้าง ความการพยศของจิตใจก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชานี่เองนี่แหละคือตัวที่เราต้องมากำจัดกันถ้าเราต้องการที่จะทําให้ใจของเราอยู่ในความสงบตลอดเวลาดังนั้นกิเลสตัณหามันโผล่ไปตรงไหนเราก็ต้องกาจัดมันตรงนั้นกิเลสตัณหามันมีช่องไปหลายหลายช่องด้วยกัน เหมือนนักโทษที่มันคอยแหกคุกบางทีมันก็ขุดอุโมงบางทีมันก็ปีนข้ามกำแพงสมัยนี้บางทีมันก็ส่งฮอมารับเลยก็มีฉะนั้นผู้ที่คอยควบคุมนี้จะต้องรู้ทันมันมันจะไปทางไหนก็ต้องต้องไปกันมันไว้ไปเบรกมันไว้ ในสมัยพระพุทธเจ้านี่กิเลสตัณหาหรือในสมัยพวกเรานี้ยกิเลสตัณหามันก็มีไปอยู่สามสี่ช่องทางด้วยกันะช่องทางแรกมันก็ไปทางเงินทองกิเลสตัณหานี้มันอาศัยเงินทองเป็นช่องทางออกพอมีเงินทองปั๊บกิเลสนี้มันไหลออกมาทันทีเลยอยากซื้อนั่นซื้อนี่อยากได้นูน่นอยากได้นี่ขึ้นมาทันที ทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่มีเงินทองก็อยู่ได้ะเ่ยขอทานตอนนี้มันก็อยู่ของมันได้เราให้มันถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดูเลยโอ้ยเดี๋ยวมันซื้อแหลกเช่ไหมกิเลสตัณหามันจะโผล่มาทันทีเห็นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามาอุดรูกิเลสตัณหาที่จะมาออกทางเงินทองถ้าพอมีเงินมีทองจะซื้อตามความอยากของกิเลสตัณหาก็เอาไปทําบุญให้มันหมดซะ พอทำบุญหมดก็กลับมาเป็นเหมือนขอทานใหม่พอเป็นเหมือนขอทานใหม่มันก็ไม่มีกิเลสตัณหาโผล่มาเพราะไม่มีทางให้มันออกนี่คือการทําทานเนียช่องทางแรกที่กิเลสตัณหามันชอบออกกันพอมีเงินทองอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันกระเป๋ามันร้อนขึ้นมาทันทีมือไปจับไม่ได้ร้อนต้องให้มันออกไปจากกระเป๋าแล้วมันถึงจะเย็น พอได้จ่ายปับ๊บได้ซื้อของมาปับ๊บใจเย็นสบายขึ้นมาทันทีเวลายังไม่ได้จ่ายนี่เห็นอะไรแล้วโอ้โหมันร้อนเป็นไฟขึ้นมาวิธีที่จะแก้ก็เอาไปทำบุญจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาไปใช้แบบตามความอยากมันมันหายร้อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันอยากได้ใหม่มันก็ต้องไปหาเงินใหม่เมื่อก่อนมีเงินมันก็ซื้อ พอเงินหมดมันแต่ความอยากซื้อมันยังไม่หมดก็ต้องไปหาเงินหาทองมันก็จะติดอยู่ในวัตฏะวงจรอุบาตนี่มันจะไม่สามารถที่จะไปอบรมจิตใจได้ถ้าเรายังติดอยู่กับการใช้เงินหาเงินอยู่คนที่กําลังหาเงินตอนนี้เห็นไหมเขามาวัดได้ไหมพวกเรานี่ไม่หาเงินกันตอนเนี้ยจึงมาวัดกันได้ คนี้เขาหาเงินนี้เขาวุ่นวายไปหมดห้าวันก็หาเงินอีกสองวันก็ใช้เงินเอพอวันหยุดก็ใช้เงินหามาแล้วไม่ใช้หามาทําไมใช่ไหมอ่าอเขางไรเนี่ยมันก็ได้ติดอยู่ในวงจรอุบาทนั์น่ะไม่มีวันที่จะหลุดออกมาได้ไม่มีวันที่จะมาควบคุมอบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้จิตใจมันก็จะแผงลิดอยู่ตลอดเวลากับ วงจร น, นั้นอยู่ในวงจร น, นั้นเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเวลาได้ของมาก็ดีใจเดี๋ยวเวลาเสียของไปก็เสียใจนี่คือวงจรแรกที่เราจะต้องอปิดกัน้นไม่ให้กิเลสมันออกมาแผงฤทธิ์การมันวาอย่าให้มันออกมาด้วยการเอาเงินทองที่เราเอาไปใช้ตามกิเลสตัณหานี่ เอาไปทำบุญให้หมดเลยอย่าอย่าแทงกักมาไว้ตอนนี้ยังขอแทงกักขอไปเที่ยวบ้างขอไปซื้อนู่นซื้อนี่บ้างขอไปทำบุญบ้างวันหลังต้องเอามันให้ทำบุญอย่างเดียวอย่าไปซื้อนอกจากของจำเป็นซื้อได้ของที่ต้องมีเพื่อการดำรงชีพนี่ซื้อได้เช่นอาหารหมดก็ต้องซื้ออาหารเสื้อผ้าขาดใส่ไม่ได้ ไม่พอใช้ซื้อได้แต่ถ้ามีพอเพียงแล้วไม่ควรจะซื้อซื้อตามความอยากนี่จะทำให้เราติดอยู่กับการซื้ออยู่เรื่อยๆเมื่อต้องซื้ออยู่เรื่อยก็ต้องหาเงินมาอยู่เรื่อยๆก็จะไม่มีเวลาที่จะไปทำลายกิเลสตัณหาที่มันออกมาจากใจเราอยู่เรื่อยๆ ขั้นต้นเราปิดมันไว้ก่อนเหมือนวัวควายนี่ถ้าเราไม่มีอคอกมันจะออกไปวิ่งไปตามทุกนาทุกไรเวลาจะจับมนันนี่มันลําบากมันอยู่ที่กว้างมากถ้าเราต้องการจะจับมันมาเชื่อดนี่เราต้องขังมันไว้ในอคอกเราต้องทํคาคอกกันไม่ให้มันออกไปอคอกแรกก็คือเนี่ยการทําทานเนี่ย ถ้ามันจะออกไปในการใช้เงินใช้ทองออกไปกับการหาเงินหาทองก็เอาให้มันมาทําบุญทําทานเสียถ้ามันจะหาเงินก็หาเฉพาะไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นซึ่งก็จะไม่ต้องใช้เวลามากเพราะเงินที่เราใช้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้มันไม่มากเท่ากับเงินที่เราใช้กับการซื้อของตามความอยากต่างๆ แล้วจะทำให้เร า, เามีโอกาสมีความสามารถที่จะมากั้นกิเลส ท, ที่จะออกมาในการกระทาที่ทำให้เราเกิดความทุกข์วุ่นวายใจคือการกระทาบาปต่างๆหรือการเสพอบายามุขเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะไปเสพอบายามุขไม่ได้ไปดืม่มโซราไม่ได้ ไปเล่นการพนันไม่ได้ไปเที่ยวเตะไม่ได้ไปคบกับพวกที่ชอบเล่นการพนันชอบดื่มสุราไม่ได้เพราะถ้าคบกับพวกนี้เดี๋ยวเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราไปเล่นการพนันออไปเที่ยวเตะ อ, อ, อันนี้แล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะละการกระทําบาปได้เพราะถ้าเราไม่ต้อง ต้องการอะไรตามความอยากเราก็ไม่มีใครจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปคนที่ทำบาปกันเพราะเขาอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเขาไม่สามารถทำได้โดยวิธีไม่ทำบาปเขาก็ต้องเลือกเอาวิธีด้วยการทำบาปเช่นถ้าเขาอยากได้เงินทองเขาหาเงินแล้วไม่พอใช้เขาใช้มากกว่าที่เขาหาได้ เขาก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาบนั่นเองนี่ยก็นี่ก็เป็นการติดกิเลสเ อ, กอีกอย่างหนึ่งการอยากกับอยากอยากทำบาปเพราะทำแล้วมันทำให้จิตใจเราวุ่นวายใจจิตใจเราจะทุกข์จะกังวลจะหวาดกลัวจะไม่สบายใจเวลาที่เราทำบาปลองสังเกตดูเวลาที่เราทำบาปกับเวลาที่เราไม่ทำบาปนี่ ความรู้สึกทางจิตใจมันต่างกันนะทําบาปแล้วใจร้อนใจวุ่นวายไม่สบายใจไม่ได้ทําบาปนี่ใจเย็นใจสบายอันนี้ก็เป็นข้อที่สองข้อแรกก็คือไม่ให้มันออกไปทางใช้เงินทองแล้วข้อที่สองก็ไม่ให้มันออกไปในการทําบาปพอมไม่ทําบาปใจก็จะสงบมากกว่าเวลาทําบาป เวลาทำบาปใจจะไม่สบายใจจะวุ่นวายนี่คือวิธีกักขังตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจไม่ให้มันออกมาสร้างความวุ่นวายใจในสองระดับระดับแรกก็คือการใช้เงินใช้ทองตามความอยากระดับที่สองก็คือการทำบาปตามความอยากถ้าอยากได้อะไรถ้าจำเป็นเช่นขาดอาหารไม่มีเงินซื้อ ก็ไปาหางานทําหรือไปเก็บผักเก็บอะไรกินโดยที่ไม่ต้องทําบาปดีกว่าพอทําทบาปแล้วมันจะทําให้เร า, าต้องมาเสียใจในภายหลังนี่คือเครื่องมือชนิดที่สองคือศีลให้ให้เรารักษาศีลอย่าทําบาปให้เราละเว้นจากการเสพอบายามุข แล้วความวุ่นวายใจต่างๆจะลดน้อยลงความสงบใจจะเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่ไม่สงบอย่างเต็มที่อย่างตลอดเวลาเพราะตัวที่ก่อเหตุคือกิเลสตัณหามันยังไม่ได้ตายไปจากการควบคุมจากการทำทานหรือจากการรักษาศีลมันถูกควบคุมบังคับให้ ไม่ออกไปสร้างปัญหาให้กับเราเท่านั้นเองดะงนั้นแต่มันจะถูกกักขังบริเวณให้อยู่ในบริเวณที่สามารถที่จะไปจับมันมาให้มันอยู่ในความสงบได้พอเรามีศีลแล้วเราก็สามารถทำศีลที่มันใหญ่ให้มันเล็กลงศีลนี้เป็นเหมือนคอกคอกศีลห้านี้มันยังเป็นคอกใหญ่อยู่ ถ้าอยากจะจับมันไปให้มันอยู่เฉยๆนี่ต้องใช้ศีลแปดต้องเพิ่มให้คอกนี้มันเล็กลงเพราะศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้กิเลสตัณหาไปทาอะไรอีกหลายอย่างถ้าถือศีลห้ายังอนุ ญ, ญาตให้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่แต่พอถือศีลแปดนี้ไม่ให้หลับนอนกับใครแล้วให้นอนคนเดียวมหมอนข้างก็ไม่ให้มี คนที่นอนคนเดียวแล้วยังมีหมอนข้างนี้ยังถือว่ายังเป็นกิเลสอยู่ทำไมต้องมีหมอนข้างด้วยมีไว้กอดใช่ไหมกอด น, นี้ก็เป็นกิเลสเป็นกามกามราคะถ้านอนคนเดียวก็อย่าไปมีหมอนข้างถ้าอยากจะถ้าอยากจะกาจัดกิเลสตัณหาตัวที่มาก่อกวนสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา ก็ต้องนอนคนเดียวถือศีลแปดอาหารก็ไม่ให้กินมากจนเกินไปให้กินตามความต้องการของร่างกายซึ่งกิดครั้งเดียวหรือสองครั้งก็พอเพียงหรือเฟือ่อไม่ต้องกินแบบตามความอยากอยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินอันนี้เป็นการการกิเลสตัญหาไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านอีกระดับหนึง่ง คือให้ถือศีลแปดไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้ออกไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆไม่ให้ดูมหมอรัศพไม่ให้น้องลํำทำเพลงเพื่อจะได้มีเวลามาควบคุมจิตใจมาฆ่ากิเลสตัณหาให้มันตายอย่างถาวรถ้าไม่มีเวลามันจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเดี๋ยวเราก็ไปนู่นมานี่ได้ ตอนเย็นถ้าใครมีงานเลี้ยงงานวันเกิดเขาเชิญไปก็ไปได้วันนั้นก็จะไม่ได้ภาวนาไม่ได้มาเดินจยงกลมนั่งสมาธิมาทำใจให้สงบอันนี้ต้องมีอาศัยศีลแปดเป็นคอกอีกอีกอีกชั้นหนึ่งคอกชั้นที่สามนะชั้นแรกก็คือฐานชั้นที่สองก็คือศีลห้า ข้อที่สามก็คือเนี่ยศีลแปดนะเพอศีลคอกมันจะเล็กแล้วทีนี้จะจับกิเลสตัณหามันง่ายแล่ะที่จะจับมันต้องมีเชือกแล้วเหมือนกับปัวควายที่เราจะมาจับมาเชือดเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในข้อมันยังวิ่งได้นะยังวิ่งหนีเราได้อยู่ถ้าเราไม่มีเชือกมาลัดมันมันมันก็ไล่มันไม่ทันมันวิ่งไปวิ่งมา ถ้าเราอยากจะจับมันมาเชือ่อเราต้องจับมันให้มานิ่งนั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆเราต้องมีเชือกกิเลสตัณหาที่มันดิ้นอยู่นี้ก็เหมือนกันเราต้องเอาเชือกมารัดมันเชือกที่จะมารัดกิเลสตัณหาก็คือสตินี่เองสตินี้จะมาหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดกิเลสตัณหาได้เพราะกิเลสตัณหามันอาศัยความคิด เป็นเครื่องมือนั่นเองอถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาเพรเราคิดถึงอะไรกิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีคิดถึงขนมก็อยากกินขึ้นมาทันทีคิดถึงเกมก็อยากเล่นขึ้นมาทันทีคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปทันทีคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนทันทีแต่ถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งเหล่านี้ได้ความอยาก ก็จะไม่เกิดกิเลสความโลภความอยากก็จะไม่เกิดนี่คือวิธีที่เราจะจับกิเลสตัณหาให้มันที่เป็นเหมือนวัวควายนี้ให้มันอยู่เฉยเฉยถ้าวัวควายที่เราต้องการให้มันอยู่เฉยเฉยแล้วก็ต้องเอาเชือกไปมัดมันมัดเท้าทั้งสี่จับมันนอนลงแล้วก็มัดเท้าทั้งสี่ทีนี้มันก็ดิ้นไปไหนไม่ได้แนละ้วที่ถ้าต้องการฆ่ามันก็ง่ายแล้วสิ สตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะมามัดกิเลสตัณหาันไม่ให้มันดิน้นแต่มันยังไม่ตายกิเลสตัณหาจะตายนี้ต้องอาศัยมีดคือปัญญาต้องเอาปัญญามาตัดมาเชือดมันกิเลสตัณหาถึงจะตายตอนต้นเรามีสติเรานั่งสมาธิจิตสงบนี้เท่ากับเราจับวัวควายมามัดให้มันนอนอยู่เฉ ย, เฉย เราจะให้กิเลสตัณหาหยุดทํางานเวลาเราทําสมาธิกิเลสตัณหายัางไม่ตายถ้าออกจากออกจากสมาธิมาปล่อยเชื่อกออกท่านั้นเดี๋ยวมันก็วิ่งใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็ไปวิ่งเต้นใหม่พอออกจากสมาธิมาถ้าไม่ควบคุมด้วยสติต่อเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวคิดถึงขนมคิดถึงกาแฟคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ก็อยากขึ้นมาทันที ถ้าต้องการที่จะควบคุมมันก็ต้องถ้าไม่มีถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องใช้สติไปก่อนไปเอาเชื่อกลับมามัดมันใหม่แต่มันก็จะหยุดมันได้เป็นพักๆเป็นชั่วครั้งชั่วคราวไปถ้าอยากจะทำให้มันตายเลยนี่ต้องเอามีดมาแทงมันเลยพอมันออกจากสมาธิมามันจะดิ้นกระแทงมันเลยพอปล่อยเชือกออกปั๊บมันจะดิ้นกระแทงมันเลย คือปัญญาปัญญาจะสอนให้เรารู้ว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปหรือมันจะจากเราไปนั่นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเรานี้นมันเป็นของชั่วคราว ท่านเรียกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้อนัตตาควบคุมบังคับสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดเวลาไม่ได้สั่งให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้ให้มันดีเหมือนตอนที่เราเจอกันใหม่ๆไม่ได้ตอนต้นเจอกันใหม่ๆก็ดีแสนดีพออยู่กันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันเริ่มกลายพันธุ์ละกลายพันธุ์ อยากดีก็ค่อยๆไม่ดีละไม่ค่อยดีทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวกลายเป็นร้ายกาจขึ้นมาเลยอันนี้คือสิ่งต่างๆแต่โลกนี้เป็นอย่างนี้มันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปจากสุขจะกลายเป็นทุกข์ต่อไปนี่คือปัญญาถ้าเราอยากได้อะไรต้องบอกว่าจะต้องทุกขนะ์ต่อไปเพราะมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปหรือมีการหมดไป พอหมดไปเราก็ไม่ความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปความทุกข์ก็จะกลับโผล่ขึ้นมาถ้ามีปัญญาก็จะคิดว่าสู้อย่าไปหามันดีกว่าอย่าไปเอามันดีกว่ากลับไปสู่ความสงบดีกว่าสู่อยู่เฉยๆดีกว่าห้ามใจไม่ให้อยากดีกว่าพอเราห้ามใจได้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกาลัง แล้วพอมันหมดกำลังมันก็จะไม่โผล่มาลบกวนใจเราอีกต่อไปใจเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วอยู่ในสมาธิก็ได้อยู่นอกสมาธิก็ได้ใจจะสงบเรียบร้อยไม่สร้างเหตุไม่สร้างเรื่องให้กับเราให้วุ่นวายใจอยู่ตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจนี้ ถ้าเราปฏิบัติไปเราจะรู้ด้วยปัญญาว่าก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชานี่เองที่ทําให้เราต้องวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อะไรไม่ใช่ใครที่ไหนไม่มีใครในโลกนี้จะทําให้เราวุ่นวายใจได้ใจของเรานะี่ยไปวุ่นวายกับเขาเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้ว เ, เขาไม่สามารถที่จะมาทําให้เราวุ่นวายใจได้ใช่ไหมคนที่เราไม่รู้จักเขามาทําให้เราวุ่นวายใจได้หรอเปล่า คนในโลกนี้มีต้องกี่ล้านคนเราวุ่นวายใจไปกับเขาเปล่าแต่ทําไมเรามาวุ่นวุ่นวายใจกับเพียงคนเดียวอะก็เราไปยุ่งกับเขาเองไปรู้จักเขาแล้วก็ไปวุ่นกับเขาเองไปอยากะกิเลสคืออยากอยากให้เขาเป็นตามใจเราใช่ไหมพอเขาไม่เป็นไปตามใจของเราก็เสียใจโกรธขึ้นมาน้อยใจ เนี่ยอยู่ที่นี่เองไม่ได้อยู่ที่ใครถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราไม่เขาไม่มีวันที่จะมาทําให้เราวุ่นวายใจได้ถ้าเราไม่ไปอยากกับเขาแล้วเขาจะเป็นดีเขาจะเป็นดีไม่ดีมันไม่ได้มาทําอะไรให้เราเดือดร้อนก็คนต้องเยอะแยะที่เขาดีชั่วเขามาทําให้เราเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะเราไม่ไปยุ่งกับเขาอะเี่แต่พอเราไปยุ่งกับใครปั๊บเนี่ยเราจะวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีเพราะเราไปอยากใน อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็เสีย อ, อกเสียใจล้องหม่มร้องไห้ขึ้นมาถ้าไม่ระวังเดี๋ยวฆ่าฆ่าตัวตายประชดอีกแล้วใครใครเจ็บเราเนะ่ะคนที่ฆ่าตัวตายเจ็บไปประชดเาเขาเจ็บตรงไห น, นดีไม่ดีเขาดีใจสยก็จะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปนังนคิดให้ดีนะ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราอยู่ที่กิเลสของเราถ้าเราจะฆ่าให้มาฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าร่างกายร่างกายมันไม่รู้วินโอยเนีร่างกายมันเป็นเครื่องมือของกิเลสอย่าไปฆ่ากิเลสมันรถยนต์เวลาที่รถยนต์ไปชนคนตายเขาไม่เอารถยนต์ไปประหารใช่ไหมเขาคนขับเนี่ยไปประหารเพราะคนที่ขับรถเนี่ยเป็นตัวที่ไปทาให้คนตาย รถเป็นเพียงเครื่องมือปืนเป็นเพียงเครื่องมือแต่คนที่ยิงปืนนี่แหละเป็นคนที่ทำให้คนอื่นตายเขาไม่เอาปืนไปทำลายปืนก็ เ, เก็บไว้เอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่คนที่ฆ่านี่แหละที่เขาจะเอาไปทำลายนี่แหละคือตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวกิเลส ตัณหาความโลภความโกรธความหลงโมหะอวิชชาความไม่รู้ว่าอะไรผิดถูกดีชั่วนี่เองคือโมหะอวิชชาไม่รู้ว่าอะไรตัวเป็นตัวปัญหาเนี่ยอวิชชาคือไม่รู้ว่าตัวที่เป็นปัญหาของพวกเราคือกิเลสตัณหาแทนที่จะฆ่ามันกลับไปสนับสนุนส่งเสริมมันรับใช้มันมันสั่งให้เราไปเอาอะไรนี่รีบวิ่งไปหามาประเคนให้มันเลยอยากได้อะไรหามันทันทีเลย ไม่รู้เลยว่ากำลังรับใช้ค่าศึกศัตรูไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะมาทำให้เราจะต้องวุ่นวายใจเพราะเวลาที่มันสั่งให้เราหาแล้วเราหาไม่ได้มันจะเห็นใจเราไม่ไม่เห็นใจเราแล้วมันกลับมันจะมันกลับมาบีบคั้มจิตใจของเราให้เครียดให้ทุกข์เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้รู้สึกยังไง ร, รู้สึกดีใจหรือเสียใจ มันน่าจะดีใจเนะียเออไม่ได้ก็ดีจะน่าไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายแต่คิดไม่เป็นเงนคิดว่าต้องได้ถึงจะดีความจริงไม่ได้เนะี่ยดีเพราะได้มาแล้วก็ต้องมารักมาหวงมาห่วงอีกแล้วเวลาเสียไปก็ต้องมาเสียอกเสียใจอีกเนี่ยไม่ได้ดีกว่ากลับคิดไม่เป็นกลับมาเสียใจเพราะการไม่ได้เนี่แหละเป็นสุขมากกว่าเป็นทุกข์ การได้เนี่ยเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขกับมองไม่เห็นกันเนี่ยเรียกว่าวิชาว่าอย่างไรไม่รู้ความจริงว่าการไม่มีอะไรเนี่ยดีกว่าการมีมีแล้วมันทุกข์กับสิ่งที่เรามีถ้าไม่มีแล้วไม่ทุกข์อ่ะทุกวันนี้ที่เราทุกข์เราทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์กับสิ่งที่เรามีหรือทุกข์กับสิ่งที่เราไม่มีทุกข์กับสิ่งที่เรามีใช่ไหอพอมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันทันทีพอไม่มีนี้มันก็่จะทุกข์กับอะไร ดูพระพระพุทธเจ้าสอนให้พระอยู่แบบไม่มีอะไรอจะได้ไม่ต้องทุกข์ ก, กับอะไรแต่พระก็ยังเด้อก็ยังดิ้นไปหานู่นหานี่อยู่ยังไปหาลาบหายศหายลาบสักกาละยังไปหาเอายศอยู่หาตําแหน่งต่างๆอยู่อหาของต่างๆอยู่เพราะเด้อไม่เชื่อฟังพระพุพทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้มีสมบัติแค่แปดชิ้น แต่ไม่ยอมเชื่อมีอะไรต้องเยอะแยะสมัยนี้พระมีมีทั้งรถมีทั้งอะไรต่างๆบางองค์ก็มีเครื่องบินส่วนตัวนั่นแหละนั่นคือการดือ้อถ้าไม่เชื่อฟังคําสอนขอุตุทธเจ้าแล้วนี่จะมีแต่ปัญหาตามมาทั้งนั้นแต่พระที่เชื่อฟังคําสอนของุตตมะเจ้านี่ท่านอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบาย ท่านไม่มีอะไรมีแค่อัดมีสมบัติแปดชิ้นคืออัฐบริขารมีบาดมีไตจีวรมีมีดโกนมีเข็มกัดได้มีเข็มขัดรัดเอวมีที่กรองน้ําเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกมีแค่นี้พอแล้วสมบัติของนักบวชมีมากกว่านี้ก็มีแต่จะมีทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเองนี่คือปัญญาที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมสอนใจเอามาใช้ควบคู่กับสมาธิ ถ้าไม่มีสมาธิใช้ปัญญาไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันวิ่งเร็วมันวิ่งหนีอยู่เรื่อยๆปัญญาททงมันไม่ได้ต้องจับมันมาให้มันอยู่เฉยๆก่อนต้องใช้สมาธิหยุดกิเลสก่อนพอกิเลสหยุดได้พอมันจะขยับก็ใช้ปัญญามีดทิ่มมันเข้าไปเลยเพอออกจากสมาธิมาพอความอยากโผล่มาก็ใช้ปัญญาซัดเข้าไปเลย แต่ถ้าขณะที่ยังไม่เข้าสมาธิความอยากมันมาเร็วยิ่งกว่ารถยนตวิ่งร้อยี่สิบกิโลต่อชั่วโมงเนี่ยหยุดมันไม่ทันอยากมันมากันเป็นพวงเป็นเหมือนกระสุนทั้งกระสุนของของปืนปุดกลเนี่ยมันไม่ใช่ออกมาทีละนัดมันมาพรวดพรวดเลยอ ย, อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทํานูน่นอยากทํานี่มันโอ้ยมันมาเต็มไปหมดปัญญาทันไม่ทันมันใช้ไม่ได้หยุดมาไม่มีกําลังจะหยุดมันถึงแม้จะรู้ ว่ามันอยากก็ห้ามมันไม่ได้เพราะไม่มีกําลังผู้ที่จะให้กําลังกับปัญญาก็คือสมาธินั่นเองดังนั้นเราต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้ามันยังไปวุ่นวายกับเงินทองอยู่จะไปจับมันมานั่งสมาธิไม่ได้หรอกมันไม่ยอมมาหรอกถ้ายังไปใช้เงินไปเที่ยวหาเงินไปหาเงินไปใช้เงินอยู่มันก็จะวุ่นวายอยู่การหาเงินใช้เงินจะชวนมานั่งสมาธิมันไม่มาหรอก องนั้นต้องใช้เงินหยุดใช้เงินหยุดหาเงินก่อนถ้ามันยังทําบาปยังเสพอบายมุกอยู่ให้มันหยุดแล้วถ้ามันยังไปเที่ยวก็ต้องหยุดมันให้มันถือศีลแปดเนี่ยต้องไล่ตะล่อมกิเลสเข้ามาในคอกให้คอกมันเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆพอถึงคอกสุดท้ายมันก็จะจับมันง่ายใช้สติเอามามัดมันได้ทําให้มันนิ่งได้พอนิ่งได้ก็ใช้ปัญญา ค่ามันได้นี่คือวิธีฝึกฝนอบรมจิตใจก็คือต้องกาจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยการทำทานด้วยการรักษาศีลห้าศีลแปดด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาแล้วจิตของเราจะเป็นจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรม เป็นจิตที่จะนำแต่ความสุขมาเพียงอย่างเดียวเป็นจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอรหันตสาบกทั้งหลายที่เป็นเหมือนจิตของพวกเราเมื่อก่อนนี้จิตของท่านก็เป็นเหมือนพวกเราแต่ท่านมีความเพียรพยายามที่จะอบรมจิตใจฝึกฝนอบรมควบคุมจิตใจท่านถึงพลิกจิตใจที่เป็นหมาปะมาป่ามาเป็นมมาที่เชื่อมได้ จิตใจของพวกเราก็เหมือนกันตอนนี้เป็นเหมือนม้าป่าที่เราสามารถที่จะพลิกให้มันมาเป็นม้าเชื่องได้ถ้าเราเอาเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ทรงฝึกผลอบรมจิตใจของพระ อ, องค์มาใช้กับจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราต่อไปก็จะสงบจะนำแต่ความสุขมาให้เพียงอย่างเดียวนั้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราภิริบุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอ an ุปกัรปติอิช um ิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันาราโสยะถามณีโชติ ภราสยาาสัพิติโยวิวัจจันโตสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศิลิศนิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฏาติอายุวันโอสุขัง พาลามวันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้จากเฟ e บุ o k เข้ามา417จากยูทูบ52วิทยุออนไลน์15ผู้รับฟังบนเขา44รวม528ค่ะวันนี้นักเรียนหนีเรียนหนีเรียนหลายคนนธรรมดา600 วันนี้สัญญาณไม่ดีค่ะ YouTube ติดดับๆับก็เลยลดลงเหลือน้อยค่ะ y youtube เหลือเท่าไหร่นะ YouTube วันนี้ห้าสิบสองใ่่ไหมธรรมดาร้อยกว่าสัญญาณสัญญาณทางโทรศัพท์เลยว่าทาง YouTube เอง 4G บนนี้ไม่ไม่ไม่ดีค่ะวันนี้แต่ Facebook ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไค่ะเห็นแสดงว่าอยู่ที่ตัวย u ทูบเองอยู่ที่อินเทอร์เน็ต อยู่ที่อินเทอร์เน็ตค่ะ ừ, เพราะว่าวิทยุก็ไม่ดีค่ะส่วนให่ไม่ดีค่ ะ, ะมียมอยากจะถามคําถามเอาไมโครโฟนไปพูดใกล้ๆปากหน่อยจะได้ยินเสียงคําถามอย่าพูดใกล้ๆปากน ะ, ะจ่อเข้าไปที่ปากเลยคืออยากจะเรียนถามนะครับจากอตอนเนี้ที่ผมนั่งสมาธิครับทุกครั้งเนี่ยมันจะเห็นเป็นนิมิตเป็นสีเอรนแรกนะมันก็เป็นสีเหลืองนะครับ แล้วทีนี้พี่เขาก็แนะนําว่าให้เพ่งเข้าไปตอนนี้มันก็เป็นสีเขียวให้ถูงก็แล้วตอนต้นคนเริ่มนั่งคุณใช้อะไรคุณเพ่งอะไรอยู่นั่งสมาธิมันต้องดูลมแล้วต้องพูดโทถ้านั่งเฉยเฉยไม่มีลมไม่มีพุทโทออมันก็มีลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยอะ่ะก็อยู่ลมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอ ย, อย่างไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับให้อยู่กับลมไปอย่างเดียว เพราะของพวกนี้มันเป็นของปลอมอ oh. ไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิต้อง<ล>แต่พวกนี้ต้องหายไปใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็หายแล้วต้องการความสงบพอมันสงบทุกอย่างก็หายไปหมดถ้าเราไปยุ่งกับพวกนี้มันก็จะไม่มีวันสงบอ๋อ oh. ครับผมเข้าใจไหมแต่มันมันโผล่ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจหยุดดูลมไปอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวอ่าดูลมอย่างเดีย ว, ล ม, ยยวลมเข้าลมออกให้รู้แค่นี้ ก็ไอ้ตอนที่มันผมเริ่มรู้สึกเห็นพวกเนี้ครับคือตัดความรู้สึกได้ลมหายใจผ่านจมูกผ่านไม่ต้องให้มันพระเอาแค่ตรงจมูกอย่างเดียวฮหอยู่จุดเดียวอย่าให้จิตเคลื่อนไหวให้มันเกาะให้มันเพ่งอยู่จุดเดียวมันนึงจะสงบได้ขอบคุณมากครับอ่านั่งผิดอยากจะถามเลยอส่งไมค์ไปพูดใกล้ใกล้ปากนะเสียงจะได้ดังคือพอ พอเราใกล้ๆปากเลยครับพอพอลมหายใจหายแล้วเรารู้สึกเออ่ร่างกายมันเหมือนกับไม่มีก็ไม่มีก็ไม่มีให้รู้เฉยๆไปให้รู้เฉยๆรู้แล้วก็อย่าให้มันคิดถ้ามันคิดก็หยุดความคิดให้มันรู้เฉยๆไปแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะสงบนี่ไงแล้วที่บางทีคิดมามันจะคิดดีหรือไม่ดีก็อย่าไปให้มันคิดหยุดมันคิดตอนนั่งสมาธิไม่ต้องการให้มันคิดอะไร ครั้นี้บางครั้งพอเราเราเราจะไม่คิดมันเหมือนกับเรากดนะครับฮ<ะ>เหมือนกับเราไปกดมันไว้ก็ต้องกดเสียต้าไม่กดมันก็มันก็ไม่หยุดคิดนะสิรถถ้าไม่เหยียบเบรกมันก็ไม่หยุดนอืมถ้าต้องการให้รถหยุดมันก็ต้องเหยียบเบรกะก็ต้องกดมันนะก็ไม่ไม่เป็นเป็นปกติไปใช่ไ้มเป็นปกติ ก, ตการกบลมจิตก็ต้องก็ต้องกดมันไว้ พอกดมันพอมันพอมันไม่สู้มันก็มันก็จะสงบมันก็จะไม่ต้องกดพอมันต่อมันไม่ต่อต้านก็ไม่ต้องกดที่ต้องกดเพราะมันต่อต้านมันดิ้นมันไม่ยอมหยุดทิศเราก็ต้องใช้พุทโธหรือใช้ลมหายใจบังคับให้มันหยุดพอมันหยุดแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับครับอพอรถจอดแล้วเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกขอบคุณครับโอเค นี่คือการทำสมาธิเวลาทำสมาธินี่ไม่ให้คิด <Okay. S 1> ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นอะไรให้อยู่ให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวถ้าดูลมถ้าไม่ดูลมก็อยู่กับพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวลมแค่จุดเดียวไม่ต้องไม่ต้องตามลมให้รู้ว่าลมเข้าลมออกตรงจุดเดียวปะปลายจมูกก็ได้ที่หน้าอกก็ได้ า, าไหแนตงรก็ขายแล้วก็ดูความว่างดูความคิดไงถ้ามันคิดก็หยุดมันอยากคิดแล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อ ง, องทําอะไรจิตก็จะเบาจะสบายเหมือนขึ้นสวรรค์ปล่อยก็ปล่อยไม่ว่าเอ่ปล่อยมันว่างจนกว่ามันจะเบาจะสบายจนกว่ามันหยุดคิดมันก็จะสงบมันก็จะนิ่งแล้วก็มีความสุขมาก พอดีเนี่ยเขาผมเคยเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วพี่ที่เขาสอนผมนั่งสมาธิครับเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะติดสุผมก็เลยงงเนี่ยครับ ก็ MM. นั่งสมาธิเพื่อความสงบติก็ติดเสร็จติดสกติดทุกข์กันไหนดีกว่ากันนะแลอวเขาก็ไอ้ผมแล้วแล้วเขาก็ไอ้ผมไอเนี่ยไอตอนที่เขาบอกว่าผมเคยฝึกไอเปโชมาก่อนนะครับแล้วมานั่งเพ่งสีผมก็เลยงงว่าสรุปแล้วผมนั่งผิดหรือนั่งถูกกันแน่ครับมันมีหลายวิธีมันมีต้องสี่สิบวิธีนั่งนะแต่ต้องเอาวิธีใดวิธีหนึ่งผมมากําหนดลมหายใจนะครับถ้าลมก็ลมอย่างเดียวพอลมอย่างเดียวแล้วเสร็จแล้วผมไปอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าครับคือผม รู้สึกว่างไปเลยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่รู้สึกตัวเองเนี่ยตัวเบาแล้วก็นิ่งแล้วก็สงบแล้วก็รู้สึกสบายใจทั้งวันเลยครับ <c oughs> ก็ดีเราจะเ อ, เ, อเอาไงล่ะเออผมก็ว่ามันดีแล้วสรุปแล้วถ้ามันมันอันนี้มันก็คือดีดีดีที่ลแล้วละ่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ดีเต็มที่มันเดี๋ยวมันเปลี่ยนได้เดี๋ยวถ้าลำเสาะสติไม่มีสติเดี๋ยวสุขนี่หายไปได้ ก็าทำไงถึงจะรักษามันไว้ได้ครับก็ต้องไปขั้นปัญญาต่อไปไปค้นหาสาเหตุที่ทําให้ความสุขนี้หายไปโธเจ้าบอกความสุขที่เราได้จากสมาธิหายไปเพราะความอยากของเราพออยากได้นู่นอยากได้นี่ความสุขที่ได้ก็จะหายไปความมุ่นวายใจก็จะกลับเข้ามาถ้าอยากจะให้มันสงบต่อไปก็ต้องหยุดความอยากอย่าปล่อยไปทําอย่าไปทําตามความอยากอย่าปล่อยให้ความอยากโผล่ขึ้นมา วิธีจะไม่ให้ความอยากโผล่ขึ้นมาก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างพอรู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ไม่เอาแล้วความอยากก็ไม่มาต่อไปมันนี่คือปัญญาขั้นต่อไปรือจะทำให้สุขได้อย่างถาวรเขาใจยัง ก็คงอยังอะครับเพรยังไม่ถึงแต่เดี๋ยว พ, พูดใกล้ๆมาใกล้ๆปากดังๆหน่อยพอเราออกจากสมาธินะครับก็ใช้ชีวิตประจําวันบางครั้งเราก็มันก็เหมือนเราเระวางังวางได้ครับ ก, ก็เหมือนเราเฉยได้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าที่เราเฉยนี่เฉยด้วยปัญญาหรือเฉยก็แล้วแต่มันเฉยได้ก็ดีก็แล้วกันถ้ามันจะเป็นปัญญามันต้องเฉยได้ตลอด ถ้าเฉยไม่ได้ตลาดก็ยังไม่ใช่เป็นปัญญาอืเป็นอารมณ์วันนี้อยากจะเฉยก็เฉยครับคตรงเนี้ครับที่แยะบางครั้งเราก็แยกไม่ออกเหมือนกันว่าอยู่ที่อารมณ์บางวันอารมณ์ไม่อยากได้แต่มันก็เฉยได้บางวันบางวันมีอารมณ์อยากได้มันไม่เฉยแล้วสิโอ้อถ้าไม่เฉยก็ต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาไปทําให้มันเฉยอย่างนี้ถ้าเราดํารงความเฉยได้ตลอดแล้วตะก็จบ ออก็จบขอบคุณลงต่อไปนักศึกาาอาจารย์ครับคือคือส่วนตัวนี้ก็ปฏิบัติตามพอาจารย์มาครับผมคือเข้าใจว่าต้องเจริญสติก่อนเสร็จ แ, แล้วค่อยนั่งสมาธิแล้วทีนี้ทีนี้ทีนี้คือมันมันตีอยู่ที่ว่าคือโยมโยมพอนั่งสมาธิไปแล้ว พอถึงจุดจุดที่มันมันสบายใจนะครับท่านอาจารย์จุดที่มันสบายใจเสร็จแล้วเอ้ในใจเลยงงว่ามันยังกําหนดพุทโธได้อยู่แต่ว่าเวลาเราไปกําหนดตรงที่มันสบายใจคืมันก็จะสบายใจแต่ว่ามันมีช่วงเผลอมันมีช่วงเผลอมันก็จะมันก็จะแบบมันก็จะหลุดออกมาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊เราต้องกําหนดพุทโธต่อหรือว่ากําหนดตรงที่มันสบายใจตรงที่มันตรงที่มันสุขใจอยู่ตรงนั้นนะครับผมมันสบายใจเพราะพุทโธถ้าหยุดพุทโธเดียวมันก็หาย ถ้าอยากจะให้ความสบายใจไม่หายก็พุทธโทไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปสู่จุดที่ไม่ต้องพุโทโธแล้วมันไม่หายคือมันจะวุบลงไปแล้วนิ่งแล้วทีนี้ไม่ต้องพุโทโธมันก็ไม่หายก็หยุดพุดโทโธได้คือแล้วรตรงที่ความสบายใจเราไม่ต้องกําหนดอ๋อใช่ไหมครับไม่ต้องกําหนดพุดโทโธอย่าไปสนใจความไม่สบายใจถ้าไปอยู่อยู่กับความสบายใจเดี๋ยวพุโทโธหยุดความไม่สบายใจก็โผล่ขึ้นมา พราะความอยากมันจะโผล่ขึ้นมาพอพอสบายใจนี่มันหมายถึงว่าเป็นมันเป็นมันเป็นความสุขอ่ามันเป็นผลที่เกิดจากพุทโธจากการมีสติออ่าพออยากพออยากปั้มมันก็จะหายไปสแสดงว่าให้เรากําหนดพุทโธต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าพุทโธได้พุทโธไปจนกว่ามันจะถึงจุดที่มันอิ่มตัวแล้วมันจะไม่พุทโธเองคือคือเราจะกําหนดพุทโธไม่ได้แล้วครับ อ่ามันจะนิ่งสงบแล้วมันไม่มันไม่พูดโทเองมันเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วมันก็ยัดเข้าไปไม่ได้แล้วมันก็ไม่กินแล้วพอจิตมันอิ่มแล้วพุทโธมันก็จะหยุดเองถ้ายังพุทโธได้ก็พุทโธต่อไปแสดงว่ายังไม่อิ่มไม่ต้องไปสนใจตรงที่มันไม่พอไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้น่ะสนใจอยู่แต่พุทโธอย่างเดียวนะอื่าส่งกลับมาถ้าไม่มีคําถามนะ แด้คนทางบ้านเขาถามต่ อ, อ เ, เรียนหลายแห่งรู้มากแล้วเนี่ยเป็นปัญหามากรู้น้อยดีกว่าแต่รู้น้อยถ้ารู้ผิดวิธีก็ซวยไปอีกก็ต้องศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องเบื้องต้นก็ไปอ่านของพระพุทธเจ้าก่อนออ <c oughs> พวกเราไม่ค่อยเชื่อพระพุทธเจ้ากันไม่เชื่อกูบาอาจารย์ที่ไหนมามั่งก็ไม่รู้ ถ้าไปเจออาจารย์ที่ถูกก็ดีไปถ้าไปเจออาจารย์ที่ไม่ถูกก็ซวยไปแต่ไม่ไปหาของชัวๆก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยของชั่วร์ลองไปค้นพระตไตรปิฎกดูสมาธิทำยังไงเอ็กษซาอ่าตอนนี้พอเข้าใจยังครับโอเคเอนะอนอนนะนอนไป คำถามจากทางไลน์คุณนั่ง30สิบผมมีคำถามเรื่องการภาวนาครับเมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้ตอบคำถามเรื่องการบริกรรมช้าหรือเร็ววันนี้แม่ให้ผมถามพระอาจารย์เพิ่มเติมครับข้อที่หนึ่งการการบริกรรพุทโธพุทโธเป็นการสะกดจิตตัวเองหรือเปล่าครับการทำสมาธิคือการบังคับจิตให้คิดพุทโธพุทโธใช่ไหม เป็นการหยุดจิตหยุดความคิดเหยียบเบรกมือนรถยนต์รถยนต์นันวิ่งเราจักรการให้มันหยุดก็ต้องเหยียบเบรกจิตเราฟุงงซ่านอยากใช้มันสงบก็ต้องใช้พุทโธขออ้อ2อเวลาบริกรรมพุทโธพุทโธจิตมันคิดไปถึงเรื่องเก่าๆตั้งแต่สมัยเด็กๆ ก, ก็มีคิดไปสถานที่ต่างๆทงั้งๆที่ก็บริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ จิตคิดออกนอกกายจะแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องให้มันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจมันจะคิดเรื่องไหนก็ไม่ไม่ต้องไปสนใจสนใจให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวเหมือนเรากำลังคุยกันอยู่นี่ก็คุยกันไปใครจะแซรกเข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจมันใครจะมาพูดอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็คุยของเราไปแล้วก็พุทโธของเราไป ใหม่ๆเวลาเริ่มนี้มันจะมีความคิดมากมายเข้ามาลบกวนอยาถ้าเราไม่ไปสนใจมันให้เราสนใจอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะจางหายไปเแต่ถ้าเราไปตามความคิดมันก็เลยไม่ได้พุโทโธพุธโทโธก็เหมือนไม่ได้พุโทโธเพราะมันไปสนใจเรื่องความคิดมากกว่าข้อสามบริกรรมพุโทโธพุธโทโธ ต้องบริกรรมไปนานแค่ไหนถึงจะหยุดบริกรรมเราจะหยุดบริกรรมเมื่อใดมันจะหยุดเองหรือว่าเราต้องเป็นคนหยุดเมื่อจิตมันนิ่งมันอิ่มมันก็จะหยุดเองเหมือนกินข้าวกินเข้าไปแต่เวลากินข้าวเมื่อถามมันจะหยุดเมื่อไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวถึงเวลามันอิ่มมันกินไม่ลงมันก็หยุดเองเออพุทโธไปได้ายังพุทโธได้ก็พุทโธไปเดี๋ยวใจมันสงบมันนิ่งมันอิ่มมันก็หยุดพุทโธของมันเอง สันทิิโกอันนี้สิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นทําไปก็แล้วถ้ายังพุโทโธได้ก็พุโทโธไปจนกว่ามันจะรู้ว่ามันไม่พุโทโธแล้วมันก็ไม่พุโทโธเองข้อสี่ถ้าหยุดบริกรรมแล้วไม่นึกพุโทโธพุโทโธแล้วต้องทําอย่างไรต่อครับถ้ามันพูดมันไม่พุโทโธมันอิ่มก็อยู่กับความอิ่มไปเลยกินข้าวอิ่มแล้วทําอะไรล่ะก็ สวายความอิ่มไปอยู่กับความอิ่มไปเพระจิตหยุดพุดโทโธมันนิ่งมันสงบมันก็อยู่ความนิ่งไปจนกว่ามันจะถอนออกมาถ้าอยากจะกลับให้มันอิ่มใหม่ก็พุโทโธใหม่ถ้ามันออกมามันหิวก็พุโทโธใหม่คำถามต่อไปจาก facebook คุณต้องตาเมื่อไม่สบายป่วยหนักจะวางใจอย่างไรเจ้าคะก็วางใจไวต้ตรงใจอย่าไปวางไว้ที่อาการเจ็บป่วย อ<ๆ>าการเจ็บป่วยก็ปล่อยมันไปเจ็บป่วยไปเราทำอะไรไม่ได้เราเอาใจเราทำใจเราอยู่ที่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้ไปรู้เฉยๆรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเราเราไม่ได้เป็นมันมันจะเป็นจะตายเราไม่ได้เป็นจะตายไปกับมันเพราะเราเป็นผู้รู้ไม่มีไม่มีวันตายมีแต่รู้หรือหลงเท่านั้นเองนั่นให้เรารู้เราอย่าไปหลงกับความเจ็บอย่าไปหลงคิดว่าคิดว่าเราเจ็บ พอไปคิดว่าเราเจ็บเราหลงแล้วอืมเวลาเจ็บต้องรู้ว่าเป็นร่างกายที่เจ็บไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นผู้รู้เราเป็นเจ้านายของร่างกายร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราคนรับใช้เราเจ็บก็หาหมอให้มันไปรักษามันไปหายก็หายไม่หายก็ให้มันไปให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันไม่ต้องไปอยากให้มันหาย คำถามต่อไปจะคุณสายฝนเมื่อนั่งสมาธิแล้วใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วอาการมันหายใจอึดอัดมากไม่มีสมาธิควรจะทำอย่างไรเจ้าคะสวดมนต์ไปก่อนเลยถ้าพุทโธแล้วมันอึดอัดก็แสดงว่ากิเลสมันยังมันยังแรงอยู่ก็ให้มันสวดมนต์ยาวๆสวดอิติปิโสไปร้อยจบเี่ อิติปิโสภาเกวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธเหมือนร้องเพลงมันก็อาจจะไปมันอาจจะไม่อึดอัดใช่ไหมเวลาร้องเพลงเราอึดอัดไหมไม่อึดอัดใช่ไหมมีความสุขไหมคาราโอเกะต่อไปต้องมีพุทธต้องมีพุทธมนุษ์คาราโอเกะมึง <laughs> <laughs> เวลาอยากจะทําใจให้สงบก็สวดคาราโอเกะไปพุโทโธสวากขาโตสุปฏิปันโนไปเออถ้ายัง แล้วสวดไปสักภาคเดี๋ยวมันก็จะเบาจะสบายก็หยุดสวดแล้วกลับมาพุโทโธ ถ, ถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องพุโทโธดูลมเฉยๆไปอย่าปล่อยให้คิดเท่านั้นเองมันยังไม่สงบเต็มที่อย่าให้มันสงบเต็มที่ต้องมีอะไรทําต่อถ้าไม่พุโทโธก็ต้องดูลมต่อแล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่ แล้วตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วพอมันสงบแล้วมันจะรู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้สุขนอสุขเนอมีความสุขอย่างยิ่งพอละแค่นี้คำถามจาก YouTube คุณมงคลกราบนมัสการเรียนถามขอรับเวลานั่งเกิดอาการเวทนามากๆข้ามจุดนี้ไม่ได้สักทีครับจะทำอย่างไรให้ข้ามจุดได้ขอรับต้องเติมสติเหมือนกับน้ามัน มันมีน้ำมันน้อยไม่สามารถที่จะขับรถให้ข้ามเขาได้ต้องไปเติมน้ำมันเพิ่มพอจะขึ้นพอจะขึ้นไปหน่อยเอาน้ำมันหมดเองละพอขึ้นไปครึ่งทางอาน้ำมันหมดเองละเพราะเติมไม่เต็มถังนี่ต้องเติมให้มันเต็มถังสติยังไม่เต็มร้อยถ้าสติเต็มร้อยมันก็มันก็ดันผ่านไปได้ยังต้องไปฝึกสติตอนที่ไม่ได้นั่งนี่ต้องหมั่นฝึกสติบ่อย ไม่ใช่้องเอาแต่สติตอนที่มานั่งอย่างเดียวต้องมีสติฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็อย่าให้มันคิดพุทโธพุทโธไปเลยถ้อาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลามันเจ็บล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวไม่คิดอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้คำถามจากคุณนีรานุชขอกราบถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อสองวันก่อน พี่ชายโดนเครื่องตัดนิ้วนางนิ้วนางขวาขาดพอลูกรู้ข่าวก็เสียใจมากต่างจากตัวพี่ชายเองที่วางเฉยได้พร้อมกับบอกว่าเหลืออีก9้านิ้วก็ยังทํางานได้นิ้วนางเป็นนิ้วที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรที่พี่ชายวางใจได้แบบนี้เป็นเพราะอะไรคะและใช้ธรรมะข้อไหนทั้งๆั้งที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดก็ถามว่าเดมาถา ม, าถา ม, าถามน้องทำไมเนาะ <laughs> มันก็ใช้สติใช้ปัญญานั่นแหะสองตัวนี้ถ้ามีสติใจทุกข์ก็พุโทโธพุโทโธถ้าหยุดความทุกข์ใจได้ถ้ามีปัญญาก็คิดว่านิ้วไม่ใช่ของเราต่อไปมันก็ต้องเป็นซากศพไปก็คิดแค่นี้เขาก็ไม่เดือดร้อนแล้วคำถามต่อไปจะคุณอธิชากราบนมัสการพระอาจารย์หลานชายยิงตัวตาย พี่สาวไม่สามารถทำใจได้ยอมรับไม่ได้ทุกมากจะออกจากทุกอย่างไรถ้าไม่ยอมก็ทุกเลยบอกว่าเกาตายไปแล้วเราจะไปทุกข์กับเขาทําไมมันไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยอยู่ดีๆคนตายคนอื่นตายแล้วก็ค้อนมาทุบหัวเราอย่างนี้มันเกิดประโยชน์อะไรี่ความทุกข์ใจของเราก็เหมือนกับการเอาเอาค้อนมาทุบศีรษะเราเวลาเห็นคนอื่นตายแล้วไม่ชอบก็เลยเอาค้อนมาทุบศีรษะเรา มันจะเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราตายก็เรื่องของเขาก็คิดว่าเป็นบุญเป็นกรรมของเขาไปสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือเชื่อจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเขารับผลของกรรมแล้วด้วยการฆ่าตัวตายเราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามกรรมเขาไม่ได้แต่เราห้าวกรรมของเราได้ห้ามความทุกข์ของเราได้ ด้วยยการรอมรับคววาาามมจริงง่่ันนนเป็อยี้คำถามต่อไปจะคุณนันทณีคำถามฝากจากญาติค่ะกระผมมักมีความคิดเกี่ยวกับคำพูดระหว่างผมกับคนอื่นทั้งที่ผ่านมาแล้วและที่คิดวางแผนตอบโต้กับเขาต่อไปความคิดนี้เกิดทั้งตอนนั่งสมาธิและระหว่างวัน กราบเรียนขอคำแนะนำวิธีแก้ไขครับก็หยุดมันด้ใช้พุโทโธหยุดมันพอมันจะคิดกับพุโทโธพุโทโธไปทุกครั้งมันจะคิดแล้วก็พุโทโธไปต่อไปมันก็หยุดคิดเองคำถามจากคุณริชชี่พระอาจารย์ครับมีวิธีแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติจะเริ่มอย่างไรก่อนครับก็ฝึกสติไปก่อนเนี่ยให้มี อะไรกํากับใจให้หยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรือเ่อยเปื่อยเช่นเมื่อกี้เนี่ยพาะคิดก็พุโทโธไปพอมันจะคิดเรื่อยเปยื่อยคิดที่เรื่องที่ไม่จําเป็นอย่าต้องคิดกับพุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปเราก็จะมีกําลังที่จะหยุดความคิดได้เราก็จะนั่งสมาธิได้ถ้ายังไม่มีกําลังเวลานั่งสมาธิมันจะอึดอัดเพราะมันหยุดความคิดไม่ได้ความคิดมันจะทําให้เกิดความอยากไปทํานู่นทํานี่ พอต้องนั่งเฉยๆมันก็เอิดอัดองั้นเราต้องหยุดความคิดที่อยากจะไปทำนู่นทำนี่ให้ได้ก่อนอ น, นต้องมันฝึกหยุดความคิดด้วยการใช้พุทโธพุทโธไปต่อไปขออนุญาตอ่านจากคุณปัทมาค่ะวันนี้ทางโรงพิมพ์ได้นำหนังสือจุลธรรมนำใจเล่มที่สิบสี่ไปถวายพระอาจารย์ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเล่มเจ้าค่ะโยมปัทมาและคณะ กราบขออภัยไม่ได้นํามาถวายด้วยตัวเองเจ้าค่ะกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะอขออนุโมทนาสาธุแต่อย่าเอามาบ่อยนะไว้รอให้มันหมดก่อนไว้ให้เล่มนี้หมดก่อนนิยมนี้เขารับพิมพ์มาตั้งแต่เล่มที่หนึ่งตอนนี้เล่มที่สิบสี่แล้วแต่บางทีเขาอยากจะส่งมาเยอะๆเลยเราไม่มีที่เก็บก็เลยต้องขอร้องว่าเอามาทีละเล่ม พอหมดแล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปบอกให้ทราบแล้วก็เอามาใหม่ยังเล่มนี้เล่มที่สิบสี่แล้วขออนุมโมทนา<ม>การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง<ม>ให้ธรรมะดีกว่าการให้เงินทองให้เงินทองแล้วติดแล้ว เ, เป็นทุกข์เวลาไม่ได้แต่ให้ธรรมะเราจะไม่ติดอะไรจะมีแต่ความสุข คำถามต่อไปจะคุณวิราวัรเวลาพระอาจารย์ให้อนุโมทนาบุญให้พรเราควรจะทำอย่างไรพูดในใจอย่างไรบ้างเจ้าคะหรือว่าเราจะพูดขออุทิศบุญที่ได้ฟังธรรมนี้ให้กับใครๆหรือเปล่าเจ้าคะออไม่ต้องทำอะไรละมันเหมือนการฟังธรรมพระสวดพระเทศนี้ก็เป็นการแสดงธรรมเราไม่ต้องฟังไม่ต้องทาอะไรตั้งใจฟังไป จะอุทิศบุญอุทิศ ต, ตอนอื่นตอนที่ท่านไม่ได้เทศตอนที่ท่านไม่ได้พูดอะไรตอนที่เราว่างจิตใจเราเราสะดวกเช่นทำบุญปั๊บใส่บาทเสร็จปั๊บเราอยากจะอุทิศบุญตอนนั้นก็อุทิศได้เลยไม่ต้องรอมาให้พระสวดไม่เกี่ยวกันการสวดของพระนี่เป็นการอนุโมทนาแสดงความยินดีกับการทำบุญของเราและบอกอนิสงส์งของการทาบุญว่าจะได้อะไรมั่งคือจะได้เจริญด้วยอายุวันณนะสุ ข, ขะพละนั้นะ เป็นการแสดงธรรมสั้นๆของพระยิง่งเวลาท่านให้ศีลให้พรให้ท่านอนุโมทนาให้พรเราก็ตั้งใจฟังไปที่ปัญหาคือฟังไม่รู้เรื่องมันคนล ะ, ะภาษากันเราคนไทยเราไปฟังภาษาแขกอฟังเลไม่รู้ว่าพระท่านแสดงอะไรถ้าอยากจะรู้ก็ต้องเข้าไป Google ไปค้นหน่อยขอคําแปลคําอนุโมทนาจ่ายเข้าไปคําแปลคําอนุโมทนา เราก็จะได้อ่านเป็นภาษาไทยได้ต่อไปเราจะได้รู้เวลาพระท่านยะถ า, าวาริวาหาปูรานี่ท่านแปลว่าอะไรตอนนี้เราโง่เนี่ยเกิดมาตั้งแต่เกิดมาฟังพระสวดมนต์ให้พรมาตั้งแต่เกิดจนวันนี้ยังไม่รู้ว่าท่านว่าอะไรเลยใช่ไหมรู้ไหมเคยไปอ่านคำแปลบ้างหมบ้างเดี๋ยวว่าแต่คนฟังเลยคนสวดบางทีก็ไม่รู้ <laughs> คนสวดบางทีก็ไม่ได้ไปรู <laughs> ทำไมไม่ไปดูมันเนี่ยมันเป็นคำสอนเนี่ยมันเป็นประโยชน์เป็นความรู้แต่มันเป็นความรู้ในภาษาแขกภาษาบาลีเราเป็นคนไทยเราก็ต้องไปอ่านคำแปลเราถึงจะรู้ว่าพระท่านเทศอะไรให้เราฟังตอนนั้นแต่เราไม่เอาเราคิดว่าเป็นขังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านพราท่านยัถาสักทีแล้วเราจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่หรอกมันเป็นไม่ได้หรอก ท่านบอกเหตุบอกผลว่าจะเป็นเศรษฐีต้องทำอย่างไรต้องขยันต้องประหยัดถึงจะรวยขยันหาเงินขี้เกียจใช้เงินนับรองได้เป็นเศรษฐีได้ถ้าขยันใช้เงินขี้เกียจหาเงินก็ต้องไปขอทานไปจนมันตายเนะี่ยคำถามต่อไปจะคุณชาญชัยกราบเรียนถามครับซื้อปลาสวยงามมาเลี้ยงผิดศีลไหมครับแล้วเลี้ยงเลี้ยงไป เขาตายจะบาปไหมครับถ้าคนเขาซื้อเราไปไปเลี้ยงบ้างเราจะเอาไหมลนะ่ะเขาไปเลี้ยงเราในคอกสวยๆงมงงามแต่เราให้เราอยู่ในคอกอย่างนั้นนะเราจะเอาไหมเหมือนไปถูกกักขังเรานะ่ะทำไมไม่ปล่อยให้เขาอยู่ในแม่น้ำลำธานในทองน้ำที่เขาจะได้ไปทำอะไรได้เขาอยากจะไปหาแฟนเขาจะหาได้นี่ไปขังเขาไว้อยู่ในคอกใน ในถังแล้วอยู่แบบเดียวดายมันไม่ดีหรอกคิดถึงโหกเขาโหดเราบ้างนอกจากว่าเขาไม่มีที่ไปเขาต้องมาพึ่งพาสายเราเราก็เลี้ยงเขาไปแต่ถ้าเราคิดว่ามีที่ดีกว่าเขาที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ล้วก็พาไปปล่อยให้เขาได้ไปมีที่ดีกว่าคิดถึงเขาเขาเหมือนเราเขามีกิเลสมอนเรามีหัวใจเหมือนเรา มีความอยากเหมือนเราไม่มีใครอยากจะอยู่ในข้ออยู่ในกรงหรอกถึงแม้จะเป็นกรงทองก็ตามเตอก็ยังอยากอยากจะออกไปเพราะฉะนั้นมันไม่บาปหรอกแต่มันมันมันไม่เมตตาปราณีมันมันเหมือนกับไม่มีความเมตตาไม่คิดถึงความสุขของเขาคิดแต่ความสุขของตนมีเขาแล้วเรามีความสุขจากเขามาขังแล้วดูเขามีความสุข เหมือนผู้ชายบางคนซาดิษไปจับผู้หญิงมาขังไว้ในบ้านแล้วก็นั่งดูเขาอย่างเงี้ยดีไหมผู้หญิงเขาก็อยากจะไปมีอสระของเขาไปทำอะไรของเขาแต่ไปกักขังเขาถึงแม้ว่าจะไม่ไปทำร้ายเขาถึงแม้จะเลี้ยงดูเขาดีอย่างไรเขาก็าไม่มีความสุขใช่หไหมเขายังไม่มีอิสรภาพทุกคนต้องการอิสรภาพงั้นอย่าไปกักขังใครเลย คำถามต่อไปจากอุบาสกพง์ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาสวดมนต์เช้าเย็นจําเป็นไหมครับต้องกล่าวอาราธนาศีลด้วยทุกครั้งเพราะปกติกระผมก็รักษาเป็นประจำขอรับไม่จำเป็นหรอกที่เขาให้สวดอาราธนาศีนเพื่อให้เรา mm. จดจําศีนว่ามีอะไรบ้างเท่านั้นเองว่า บ, บางทีคนเราชอบลืมกันก็เลยต้องให้เราสวดบ่อย ย้ำเตือนบ่อยๆว่าเรารักษาศีลอยู่นะเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดือมสุราถ้ามันฝังอยู่ในใจเวลาจะไปทำผิดศีลนี่มันจะมีอะไรมาเบรกเอ้กูถึกเดือไม่ได้ไว้วันนี้ถือศีลอยู่อะไรเงี้ยเอ้โกหกไม่ได้อย่างนี้แต่ถ้าไม่ไม่ไม่ทบทวนไม่คอยเตือนว่าเรากาลังถือศีลอยู่เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวลืม พอจะพูอะไรพูดปลดไปละเดี๋ยวเพื่อนชวนไปดื่มไกลละนี่เพราะฉะนั้นการสวดนี้เป็นการเตือนใจแต่ไม่ได้เป็นการอาราธนาถ้าเราถ้าเรารักษาศีลอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการเตือนใจเท่านั้นเองถ้าเราไม่รักษาศีลการสวดก็เป็นการอาราธนาเป็นการตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลคำถามต่อไปจากคุณสุพัตรา กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอถามเรื่องการฝึกสมาธินะคะลูกใช้คำบริกรรมพุทโธพร้อมกับการนับตัวเลขคือพุทโธหนึ่งพุทโธสองไปเรื่อยๆถึง500แล้วก็เริ่มใหม่เพื่อพยายามให้มีสติตามตลอดไม่ให้หลุดค่ะแต่ก็จะมีความคิดต่างๆเข้ามาทั้งเรื่องที่เคยพบและเรื่องที่ไม่เคยพบมาก่อน ความคิดเหล่านั้นแทรกอยู่คู่กับการบริกรรมค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะลูกปฏิบัติถูกต้องถูกไหมคะและสักวันหนึ่งถ้าความคิดต่างๆเหล่านั้นจะหายไปไหมคะหรือควรแก้ไขอย่างไรกราบขอบพระคุณสาธุเจ้าค่ะคือปฏิบัติน้อยไปมาพุโทโธเฉพาะตอนที่นั่งมันต้งพุโทโธตั้งแต่เตินขึ้นมามันถึงจะหยุดความคิดได้ เั้นถ้าอยากจะทำให้ก้าวหน้าทำให้จิตสงบนี่ต้องเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธหนึ่งพุโทโธสองไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรก็พุโทโธไปยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับการทำงานเราก็หยุดพุดโทโธไปชั่วคราวใช้ความคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุโทโธต่ออย่าปล่อยให้ใจคิดเลือเล่อยเปื่อยคิดเพอ้อเจอ้อเพอ้อฝัน อย่าคุยกับตัวเองพูดง่ายๆเราชอบคุยกับตัวเราเองด้วยใช่ไหมไปไหนดีไปหาใครดีมีภาควิจารณ์คนนั้นคนนั้นใ ย, ยนั้นเป็นอย่างนั้นใ ย, ยนี้เป็นอย่างนี้ให้หยุดความคิดเหล่านี้เสียให้มาพูดโทพูดโทแทนแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้ง่ายได้เร็วคำถามหมดแล้วค่ ะ, ะก็เหลืออีกห้านาทีสตินี้สำคัญมากนะ เพราะว่าถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่สงบเวลานั่งเราก็เจริญสติแต่มันเวลาน้อยเหมือนเครื่องบินน่มันจะบินขึ้นฟ้าได้มันต้องมีรันเวยเ์ยาวๆใช่หไหมถ้ารันเวย์สั้นๆก็ตกนะขึ้นไม่ได้ก่อนจะขึ้นเครื่องนี่ใช่หไหมก็มีรันเวย์ยาวต้องสองกิโลเหมือนถึงจะมีพลังที่จะบินขึ้นได้ถ้ามีรันเวย์แค่ห้าสิบเมตรนี่มันไม่ขึ้นหรอกวิ่งไปก็จุด ชนต้นไม้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้จิตสงบนี่เราต้องมีรันเวยาวๆต้องมีพุโทโธนานๆต้องมีพุโทโธก่อนที่เรามานั่งงั้นงั้นเรามีเวลาพุโทโธได้ทั้งวันทำไมเราไม่มาใช้มันให้เป็นประโยชน์กับเอามาใช้เอาความคิดมาฆ่าเรามาทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์ไปทำไมหยุดมันดีกว่าเอามาใช้พุโทโธดีกว่า ถ้าเรามีพุโทโธเยอะๆนี่เวลานั่งสมาธิห้านาทีก็สงบละถ้าไม่มีสมาไม่มีพุโทโธนี่นั่งไปชั่วโมงก็ยังพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองอยู่นั่นแหละเพรารฉะนั้นพยายามพยายามฝึกสติให้มากคนเราไม่รู้ไม่เข้าใจไงแค่ว่าพออยากจะนั่งสมาธินั่งแล้วก็จะสงบไม่รู้ว่าก่อนที่จะนั่งได้มันจะต้องมีสติก่อน แต่ไปจับลิงต้องไปหาเชือกก่อนนะถ้าไม่มีเชือกอย่าไปจับลิงด้วยมือเปล่าเลยไม่มีวันที่จะจับมันได้หรจิตนี้เป็นเหมือนลิงถ้าจะจับมันให้มันนิ่งให้มันสงบนี้ต้องไปมีเชือกไปหาเชือกมาก่อนเชือกคือสติหยุดความคิดให้ได้ก่อนหยุดความคิดตั้งแต่เรายังไม่นั่งให้ได้ก่อนลดคิดให้มันน้อยลง คอยหยุดมันอยู่เรื่อยๆถึงแม้ไม่หยุดต้ยเต็มร้อยก็คอยหยุดมันเลยพอมันจะคิดก็หยุดมันพอมันจะคิดก็หยุดมันอย่างเนี้แล้วพอเรามานั่งมันจะสงบได้ง่ายกว่าขออนุญาตค่ะมีคําถามจากคุณวิราวรรณค่ะพระอาจารย์เจ้าคะถ้าเราจะรักษาศีลกรรมบทสิบเราต้องทําอย่างไรถ้าศีลห้าต่างจากศีลกรรมบดสิบไหมคะอ๋อกรรมบทสิมรรมบมันก็มีทั้ง มันทั้งมีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจไงกามาบทสิบก็ทางทางกายก็มีอยู่สี่คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีอ่ามีสามทางวาจาก็มีสี่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดอ่าไม่พูดปดเนี่ยแล้วทางใจก็มีสามไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้เป็นการรักษา ทั้งสามด้านเลยทั้งกายวาจาใจกายก็ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพสุราไม่อันนี้เป็นที่ไม่ได้ไม่มีสุราอยู่ในกรรมบทตรสิบก็เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เราละได้แล้วคนที่มาถือกรรมบทตรสิบนี้ต้องละอบายามุกได้ก่อนไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนคนชั่วเป็นมิตรไม่มีความเกียดค้านก่อน ถึงจะมาถือกรรมบทสิบได้พอถือกรรมบทสิบก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็ไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดพูดปดแล้วใจก็ต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เรียกว่ากรรมบท10บคำถามต่อไปจาคุณเปียอัจฉริยา นั่งแบบดูลมหายใจต้องดูลมตามลงไปในท้องไหมคะไม่ต้องให้อยู่จุดเดียวอย่าตามลมแต่เลือกจุดดูได้ดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่หน้าท้องก็ได้จุดไหนที่เราสบายที่เราเห็นชัดก็เอาตรงจุดนั้นแต่เลือกจุดไหนจุดนั้นก็อย่าไปตามมันมันจะหลอกให้เราขึ้นลงเลยอย่าอย่าไปขึ้นลงไปกับมันให้อยู่ที่จุดเดียวมันถึงจะนิ่ง ถ้าตามมันมันก็ไม่นิ่งชักเข้าชักออกไงมันก็ไม่นิ่งต้องอยู่จุดเดียวมันถึงจะนิ่งถึงจะสงบได้อมีคําถามหนึ่งคําถามสุดท้ายแล้วมีไหมค่ะเป็นเป็นคําถามต่อเนื่องกรุณารอสักครู่ค่ะพระอาจารย์อาจารย์คะถ้าจบกรรมบุตรศิษยแล้วข้อสุดท้ายมั้ยคะถ้าผ่านกรรมบุติต่อไปจะยัก็มีการศึกันยังไม่ต่อยนะมันยังหนึ่งสองสามไม่เช่นนะัออ มันก็เป็นเหมือนมรรคแปดมันจะมีมรรคเก้าที่ไหนเราไม่ไม่มีหรอกกรรมมาบทสิบก็กมาบทสิบก็จบแล้วถ้ารักษาสามรักษากรรมบทสิบได้ก็มนิพพานนั่นนั่ะเข้าใจไหอากายวาจาใจสงบไงกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบมันก็นิพพานนท่านนั่ น, น อ, อ่ะคำถามเมื่อกี้อ่านไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็พอดีอหมดเวลาพอดี